เข้าใจว่าวันนี้โยมทั้งหลายในมาประชุมพร้อมเพียงกันนี้เพื่อทำบุญกุศลเรื่องในวันเกิดของท่านสมภาร ท, ท, ท่านอาจารย์ท่านหลวงนักว่าท่านได้ทำบุญกุศลในด้านกัดจันกระจันยูกัะจเวที รูคุณผู้อื่นเึงพระพุทธเจ้าทงการว่าผู้มีความกตัญญูเป็นผู้เจริญสำหรับอจตมาเองนี้เมื่อบวชก็เป็นวัดป่าทันทีเลยทีเดียวไม่ได้ไปเหล่าเยนอริยที่ไหนที่วัดป่าที่หนองคายบวช ที่วัดสีเมืองแต่ว่าไปอยู่ที่วัดป่าอารุณลงังสีแล้วออกจากนั่นก็ไปตามสำนักวัดป่าตามจังแล้วก็บางอื่นได้พบครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์รุ่นที่หนึ่งที่ทองของท่านอาจารย์มั่นภูริทัศ ล้วก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ตามสำนักวัดป่าหรืออยู่ตามป่าตามดงตามเขาหรืออยู่กับพวกคนเขากับอาจารย์มังคนเดียวบางเพราะฉะนั้นเรื่องเทศนนาอะไรยึงไม่ค่อยมีในที่ถุดก็ไปตั้งวัดป่าที่แม่งสอน อยู่สปีไก่ตีนเขาและอยู่ดีๆก็ทางวัดบวรมหามงกุฎใต้ใต้การนำของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งตอนนั้นนยังเป็นตำแหน่งศาสนาโสพลทางมหามงกุฎก็มีเจ้าคุณพระมุนี เป็นผู้ใกล้ๆหลักเป็นเลยขาใหญ่ก็เขียนจดหมายไปที่แม่องค์โซนขอให้อาจมาไปส่นภาวนาที่ออสเตรเลียเมื่อนในราวสามสิบกว่าปีแล้วก็ออกจากวัดป่าไปเลยก็ไปกรุงเทพ ใช้เวลาเตรียมตัวเพียงราวสามอาทิตย์ก็ไปอดติเวียถึงตอนนั้นพระลังที่ถือพุธเรียกว่ามีนับนิ้วมือทวนเขาก่อตั้งพุทธมาคมขึ้นมาแล้วขอลองมาทางสมเด็จญานเนี่ยถึงตอนนั้นยังไม่เป็นสมเด็จตระ ก, การเขาให้ส่งอาจารย์ พระสอนภาวนาไปเขาตั้งเป็นพุทธส ม, มาคมแล้วก็เช่าบ้านทางมหามกุฎก็รับคำเชิญนิมนต์แล้วก็ลงทุนเช่าบ้านให้ยูทำเป็นต้นนักสงครั้งแรกแล้วสง่งพระเท่าคุณ อมอนถึงปัจจุบันเป็นเจ้าคุณกาณะตาคนุนไปเป็นรุลทินหนึ่งถัดจากนั้นเราเข้าไปกับพระมหาสมัยวันจปทุมเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณไปล้วสำหรับอาชมาเองให้มีนาทีสอนภบวนาโดยเฉพาะเยอะมากอยู่กับพวกกรังนี่ก็ไม่คอยได้อยู่กับคนไทย ที่โคลนเอเชียเท่าไรรัฐบาลก็เริ่มตจรหลังสงครามโลกครั้งที่สงเมืองโหลัณได้รับความทุกข์ยากมากมายเพระาะสงครามโลกโค่นตายไปต่างหากสิบด้านแถบยุโรปเกือบจะเป็นชีโพงทั้งหมดเขาเริ่มสงสัยในวัฒ น, นธรรมของตะวันตกที่เป็นของดีเลิศมันยังบกพร่องเขาวิ่งหาสัจธรรม ก็ไปเรียนตัตนาต่างๆในอินเดียเยียนลูวข้ะาบางังเรียนเซนบงังเรียนพุกทีเบตมัง่งมาหาเรียนสิรวาดพุทธเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยบางสนใจภาวนากันมากมายกล า, ายเป็นความนิยมสิ่งรู้จักกันทั่วไปในเดนรัรไม่หวอเลนยุโรปอเมริกาภายในเวลารวดเร็ว ที่เถอยหลังจากนี้ไปในราวสามสปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ก็มีแต่เรื่องสอนภาวนาการเทศนามันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นที่มาวันนี้ก็มาจากสวนทิศเดลนัปปุรีนี่แหละตักเลเพราะว่าเป็นสำนักสูงอยู่สอนภาวนาที่นั่น บางครั้งบางคราวก็บังเองิญท่านในมูลมาที่นี่ที่เรียกว่าบุญมาวัฒนทรงได้พาให้มาพบกันในวันนี้ที่นี่เรื่องพระพุทธธรรมประตู เรธรรมะเทศนานี้แล้วขอความกันมามากมายแล้วสมาธิขเขาเกล้าแต่เพียงโยโย่ว่าธรรมะของพุทธเจ้าที่ทา่านรวบรวมได้มากมายนั้นสรุปลุงทีว่ว่าไม่ประมาทว่าไม่ประมาทสําคัญคือไม่ประมาทในพระพุะทธธรรมประสงฆ์กันต่างจะพาะ อ, อย่างนี้เกิดในเมืองไทยแล้วไม่รู้จักพุโทโธธรโม ท, ทั้งโกษเลย หรรู้แต่ชื่อหรือพูดแต่ชื่อมันก็เป็นที่น้าสังเวชมากเป็นผู้ประมาทในพระพุทธธรรมประสง์เป็นความทุกข์เป็นอันตรายมากมายทีเดียวถ้าไม่ประมาทในพระพุทธธรรมประสงแสวงหาความรู้อยู่บังมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงพอสมควรยินดีในการตัณหาจารย์ติณภาวนาก็พอเอาตัวรอดไปได้บัง ที่นี้คู่กันนั่นคือมันไม่ประมาทในตัวเองเราคือใครไม่ต้องไปถามว่าเราคือใครใครคือเราโลกพระพุทธเจ้าทาแสดงไว้หมดแล้วอะไรอะไรแแสดงถึงเหตุที่จะทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์คือปเกเพกตะปุญญาตาอันนี้สำคัญมากความเป็นผู้มีบุญอ้ไได้ทำไว้ก่อนแล้ว เพราะว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาปีติธรรมมานั้นเป็นของธรรมดามีอยู่แล้วล่ะแต่ว่านพุทธโนพุทธเกตเป็นธรรมดาของตระกูลลู ก, ลกดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์แต่ตอนที่วันหนึ่งมันก็ทาบุญทําบาปกันนะับนเป็นตัวผลของบุญของบาปมันก็ให้ผลติดต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกัคลื่นทีวิทยุเนี่ยเอาขึ้นสั่นคลื่นกลางคลื่นยาวเป็นช่วงๆไปภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกความถี่สูงตอนนี้ที่เรามานั่งกันอยู่นี่เรียกวความถี่สูงื็คลื่นคลื่นบนขึ้่นกลางมันอย่างตอนดีมันให้ผลมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่มา่อคลื่นนี้มันดับมันเปลี่ยนคลื่นใหม่มันมาอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมแล้วมันก็ต้องอาศัยเหตุทั้งนั้น ทีนี้การที่จะได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องตอนที่บุญให้ผลจึงจะได้เกิดเป็นคนตามที่สันติแดงไว้มันเลือกเกิดไม่ได้ทีนี้บุญที่ทำไว้ก่อนแล้วถ้ามันมีน้อยมากมันก็แยก เกิดเป็นคนก็เห็นว่าเดียวเป็นมนุษย์แต่เดรัจฉานูมานุสตปีโตมนุสตปิดแต่บุญที่ทําไว้มันพอใช้ได้เดเี๋ยวหาติดหาติดขึ้นดำขึ้นเขาเกิดเป็นคนก็เป็นคนพูดกันพอรู้เรื่องรู้จักบุญรู้จักบับพอสอนกันได้เห็นขึ้นแล้วแต่ว่าอาเสวนาจะไปลานางมานิตานังกิเทวนาถ้าไปเจอคนดีพบคนดีก็ดีไปอาจจะำจทำดีทําก็ได้ แต่ไปเจอคนทั่วควบคนทั่วก็จิปายไ ป, ไปนี่มนุษย์ามนุษย์โถเกิดเป็นคนก็เป็นคนผู้ที่ทําบุญไวม้มากบุญซีมากที่ทําไว้ก่อนแล้วนั้นให้ผลเรียกเป็นผู้มีบุญมากเกิดเหมือนกระลงมาจากชั้นพรมชั้นเทปเป็นมนุษย์เทวูรูปร่างเป็นคนแต่จิตใจ ด, ด, ดีอย่างเหลือเชื่อว่าจะมีได้ในโลกเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันบนี้ แต่มันมีแน่แต่ของดีไม่มีมากมันเหมือนกเพ็ดเม็โ ต, โ ต, โตโนเนี่ยแล้วไม่ไปพบคัขง ข, งขงนนหรอแต่มีแน่นน้นอาจจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในบ้านคนรวยทีนี้การเกิดเป็นมนุษย์มันยากอย่างนี้แล้วท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าต่าตาโบดต่าทะเลตาโบดปกติอยู่กลนทะเล ลอยปีตัวมันลอยขึ้นมาว่ายไปฝั่งกระโนดแต่ตรงกลางทะเลนั้นมันมีล่างเหยกันอยู่มีช่องที่ขาดพอเท่าตัวเต่านั้นอยู่ช่องเดียวเท่านั้นเมื่อเต่าตาบดนี่มันลอยขึ้นมาแล้วมันก็ว่ายจะไปฝั่งกระโนดพอหัวมันไปถูกล่างเหยืมันก็จมลงไปดันที กด้านอยู่นั่นละร้อยปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่โผลขึ้นมาใหม่ไหวไปข้างหน้าหัวไปโดนหตจมลงอยู่อย่างนั้นไม่รู้จกี่ล้านหนจนกว่าความบังเอิญให้ความบังเอิญนี่สคัญมาก บ, างบางาังเอิญดีบังเอิญและเทะไม่ย่งละบังเอิญมานน่กันอยู่นี่ล่ะจนกว่าความบังเอิญที่มันจะ ไปเจอโชองนั้นลดไปได้มันก็เป็นการยากแสนยากที่จะเจอความบังเอิญเช่นนี้ทางบาตรการที่จะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์แม้แตม่มนุษย์ที่เลวก็คอมันยากกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ตามมนุษย์โศเกิดเป็นคนก็เป็นคน ที่เกิดเป็นพวกมีบุญมาเกิดหรือมาเกิดเป็นดอกบัวเหนือน้ำอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วพร้อมที่จะมีบุญวาสนาได้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้ผลมากน้อยเร็วช้าประกันดนันก็ยิงหายยากมากคือปัจจุบันนั้นมากอันนี้ประกันหนึ่ง เราจรงจะรู้ว่าไม่ต้องไปนัง่งถามเราคือใกล้ๆ ค, คือเราพระพูทธเจ้าท่านรู้ดีกว่าท่านแสดงไว้มนุษย์เป็นผลระบุญที่เรียกว่าตัวเราไม่ต้องไปถามาอะไรละเป็นผลระบุนกระบวาการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์บุญที่ทําไว้ก่อนแล้วให้ผลจึงจะได้เกิดเป็นคนเพราะงั้นกับเราที่เรียกว่าเราเรา หรือตัวเองนี่ก็คือผลและบุญเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทในตัวเองสิ่งใดที่จะเป็นบุญสุนทานเป็นประโยชน์ แ, นนแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นเราก็ทำให้มันมากๆขึ้นไปไม่ไปกินแต่ของเก่าทีนี้ ที่จะให้ได้มาปฏิบัติพุทธธรรมได้สำเร็จผลพ้นทุกเวียนว่ายจะเกิดไปได้ก็ยินอยากอนนั้นมากคือไม่ใช่บุพเพกตะปุญญตาเท่านั้นแ่ะต้องมีบุญที่ทำให้เป็นบารมีคือบุญธรรมาดานีแ้แหละแต่ว่าเมื่อมา ทำด้วยความตั้งใจปรารถนาหมู่พ้นความพ้นทุกเว้นไหวใจเกิดหรืปัญหาชีวิตเรื่องเกิดเกิดใจใจทุกอย่างเอาบุญมาทำเป็นบารมีไม่ไหวจะทำทานรักษาสินโพนาตั้งใจอธิษฐานด้วยอำนาจ บ, บุญที่ทำไว้นี้โดยทานนี้โดยสินนี้โดยโพนานี้ขอให้พ้นทุกข์ คนเป็นไหวแต่เกิดแล้วพูดกันง่ายถึงพระนิพพานเทินอันนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาตนาบารมีสิทที่เรารู้กันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ต้องอาศัยสร้างบารมีสิทถ้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องทําอย่างสมบูรณ์ทั้งอย่างเล็กน้อยอย่างกลางอย่างใหญ่ถือบารมีสามสิบทัด สำหรับพระโกตมตัจเจาวีกว่าจะไม่ได้ถึงวันวิสาขบูชานะั้นคือเป็นผลของบา ร, รมีที่สร้างท่านต้องสร้างบา ร, รมีสิบทั้งอย่างเล็กกล้างใหญ่เอาชีวิตเขาเล็กอย่างทานเป็นต้นของพระเวสสันดรที่เรารู้กันอย่างนี้มนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้เสียวนึงรอหนึ่งในล้านก็ไม่ได้ทำด้วยกันสิ รมีทุกอย่างเอาชีวิตเขาแหลกมุ่งปัจ น, นะเป็นพระธรรมสัมภูติเจ้าโดยเฉพาะ พ, พ, พ, พระโคตทธเจ้าเริ่มตน้นถอยลังไปยาวหยืดถอยลังไปพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วยี่ิบสี่องค์แต่มยพระที่ปังกวพุทธเจ้านุนก็ไม่รู้ละสามแสนชาติอ่ะ ท่านเป็นฤๅษีดาบุตรเท่านัน้นวันอื่นมาหกหืดดูอากาศได้วันหนึ่งหไปเหนือป่าเห็นคนเขาเตรียมกันเตรียมข้าวโค้งอะไรกันอยู่ทางชื้นดินลงไปถามท่านทาอะไรกันเราเราเตรียมรับลงพระที่ปังโกศพุทธเจ้าเรี ย, วยกว่าให้ทานฤๅษีก็อยาก ถามลก็เขาแต่ว่ามันมีอะไรหรือสีจริงๆมีลิขานุภาพมากแล้ ว, ว่าและมีสมบัติจะเป็นไสรถางจริงกเอาร่างกายนี้ทำเป็นทางสังเกตโดนไหนที่มันเป็นเปลือกโสมก็เป็นนอนควมนิมนต์พระทิปังกรพุทธเจ้าสัมมาสัพทธเจ้าพร้อมทั้งสาวก ให้เหยียบไปต่างสะพานที่สำคัญตอนนั้นตั้งอธิษฐานคือตั้งใจอธิษฐานบารมีคือใ่เป็นครัง้งแรกว่าด้วยอำนาจธานที่ทำนี้อา่างกายุทิศทำนี้สับพระสัมมาสัมพุทธเจาโอมีในที่สุดในอนกุตการอันไกล ขอให้ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาทิพุติเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าอมีเทินอันนี้เป็นจุดเริ่มตนของพระพุทธธรรมประทงที่เราเจอกันอยู่นี้เพราะว่าถ้าท่านอธิษฐานเพียงว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเงียบก็ไม่มีการโถนก็ไม่มีธรรมะคําสอนก็ไม่มีผู้ฟังธรรมแล้วสําเร็จเป็นพระทง ก็มีแต่พระประเจ็ก เ, เงียบ เ, เท่านั้นปวดโคนด้วยการออกบินบาบอย่างเดียวเท่า น, นั้นแหละนัดจากที่เมื่อท่านอธิษฐานอย่างนั้นแล้วพระธีปังกรณสรมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีอภิญญาความรู้พิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากใหม่ที่พระอรหันต์เองก็ไม่มีก็นัว ฤกษ์สีนี่ปรารถนาใหญ่ตัวเลือเกินแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่แทนก็มีอภินญญาเทียบสมัยนี้เลยว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูปเปอร์อินเทอร์เน็ตไม่มี ข, อขอ้อบกโกนที่เพ่งปุ๊บรู้พับเมืนกดปุ่มเห็นภาพปุ๊บรู้คำตอบทั้งกรู้ว่าในอนาคตแต่การไกลความปรารถนา ของือสีตนนี้จะเป็นไปได้ท่านจึงรับนิมนต์ท่านเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้พระพุพทธเจ้าท้งไหนท่านไม่รับนิมนต์หรอก mm hmm. ก็เดินเยียบหลังไปใ mm hmm. นปิจุบล่มตนองพระโพธิสัตว์เมือ่อฤาืีสีเป็นผู้เชียวชาญชาญเปสมาธิ8ปดชั้นแล้วคนนั่งส ม, มาธิเพ่งเหมืนกับใช้เครื่องกดปุ่มเต๋อ เพ่งปัปบเห็นผับปุ๊บเลี่ยงนิมิตสิบประการรู้ความหมายของนิมิตบารมีสิบมีทานศีลเนกธรรมะประพฤติพรห ม, มจรรย์รักษาสิบแปดเป็นต้นสัจจะอธิษฐานเบตาอุเบคาปัญญา <c oughs> บารมีสิบจะต้องทำให้ครบถวนทั้งอย่างน้อยอย่างกลางอย่างใหญ่ จนสมบูรณ์จึงจะได้บรรลุธรรมนับแต่นั้นท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ดำเป็นบา ร, รมีสามทิบทัดใช้เวลาถึงสามแสนชาติจึงมาถึงตัวสว่างพนลกุกที่เรเรียกว่าพุทธศาสนาถึงอริยมรรคที่เรียกว่าคุณทางกลาง หรือสินธรรมทิปัญญาหรือสติปัฏฐานสติสัมโภชมงค์ัตเตลูอริยสตินิพานในวันวิสาขาบูชามันจึงไม่ใช่เป็นค้งง่ายๆไม่ใช่มาหนังเปิดหนังสืออ่านหรือคิดเอาเฉยๆมันเป็นไปไม่ไ ด, ด้พูดคือทาจริงถึงจริง ตั้งแต่สร้างบา ร, รมีมันทำจริงๆพระโพธิสัตว์ทํานทำจริงๆไปอ่านดูในทศบา ร, รมทีที่ทำไปได้มากกว่าห้าร้อยมั้งเอาจะพอสิ่งสำคัญที่บา ร, รมีศิษย์เอาชีวิตเขาเล็กทำจริงถึงจริงมันเป็นเรื่องทำไม่ใช่บุรมกติ ไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปัชญาไม่ใช่แต่ตนาแบบรลกๆทำจริงถึงจริงเหนตัทธาก็มีทานก็ทำศีลก็รักษาภาวนาเจริญเจริญสติเฉพาะยางยี่ที่เป็นอริยมรรคให้เกิดขึ้นได้เป็นหนทางถูกตอง เมืนรู้จากขนทางถูกต้องที่มาวัดนี้แล้ไม่เคลรู้แต่วังเขาว่าหรือดูแผนที่ลงทุนเดินมาจริงๆตามถนกมาานกำมะนางอยู่นี่อันนี้เป็นพุทธเเนะเป็นของแน่นอนผิจารณาไม่มีตราะงั้นเรื่องขนทางถูกต้องรู้จักขนทางถูกต้องปฏิบัติตามขนทางนั้นจึงจะแจ่มแจ้งพุทธธรรมได้ นี่คือความแตกต่างระหว่าความรู้แบบลกๆเรียกว่าปัจจยจัตตาร์นะลกๆทุกชนิดนัดแต่นั่นท่านสร้างบารมีมาใช้เวลา3แสนชาติจึงถึงวันวิสาขบูชาที่เรารู้กันอยู่แ ล, ล้จัตตรู้อริยสติปัณ ตั้งแต่วันที่ท่านตั้งอธิษฐานไดียกว่าเลื่มจุดเกิดของพระพุทธประธรมผระสง์ในสมัยพระโคตมจ้าเพราะฉะนั้นคู่บารมีของท่านคู่บารมีของสมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสงค์คือผู้ที่ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามกรรมต่งสงๆของท่านหรือฟังทันเทศแม้เล็กน้อยสาเร็จ บ ว, กวาตกุฎามไม่ได้บวตกวุาตามในสมัยพุทธกาลมีมากมายคู่บา ร, รมีเหล่านี้ก็คือว่าผู้ที่จะได้สำเร็จเป็นพระสงคือผู้ที่อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกันแต่ไม่กล้าที่จะปัตนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือสมมาธพุทธเจ้าเพราะเห็นมันยาก ขอเป็นเรียบแบบไรกว่าเรือพว่วงคือรอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกทัาแสดงธรรมฟังแล้วสำเร็จปฏิบัติตามสำเร็จก็ต้องสร้างบา ร, รมีสิบให้ครบถ้วนสำหรับสาวกบา ร, รมีสาวกหกหมื่นชาติ แล้วก็ไม่ถึงขนาดหนักเอาชีวิตเขาเล็กเหมือนอย่างพระโพธิสัตวเมื่อครบทรวนแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วในวันวิสาขาบูชาพวกที่สร้างบา ร, รมีหวังจะเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าหลือคู่บา ร, รมีก็มาเกิดกันเป็นแถวรออยู่แล้วเหมือนกัะโดกวัวขึ้นเหนือน้า อ น, นาบินตะพระเจ้าพิมพิสารวิสาขาสุเชลอย่างอืน่นอีกมากเป็นพันเป็นหมืน่นเหมือนกับเปน็นเกิดเป็นดอกโบยเดินน้ําโลสละล่อนอยู่แล้วเมื่อพระพุทธองค์สําเร็จธรมท่านก็รู้ทันทีว่าอันนี้มันพร้อมแล้วเป็นดอกโบยเดินน้ํเพราะเงานทางเทศนาที่ ทีไรบางคนหมากมายไม่ทันได้บทฝังปั๊บเจอว่าเด็นี่ขันโตดาบันนี่หมากมายเรียกวเป็นยุคทองของพุทธศาสนาเมื่อการล่วงไปสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าโคนมันเป็นสังขารพวกที่มีทุนน้อยบารมีน้อยบัสนาน้อยมันก็ค่อย มันเกิดมันก็คนที่จะเป็นดอกโบนเดินนะ้ามันก็มีน้อยเข้าไปทุกทีมันก็เป็นอย่างที่เป็นการถูกวันนี้ล่ะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แต่เพราะย่างยิ่งในมืองไทยแล้วจก็เขงดีย่างดังนห่อยสี่สิบแอันนี้เป็นอย่างนี้แต่ที่ดีนี่ก็ยังมีอยู่มา ที่ในโอกประเทศไทยยังไม่มีเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณในวันวิตรากษ์ท่นานก็ไม่ได้เทรลไลท์ลท่านนิ่งเฉยๆเพราท่านสำเร็จด้วยวิชาสามใน พรามีชาติสามมีชาติหนึ่งเห็น อ, อ, อดีตโดยไม่มีที่ถึงตุลวิชาติสองเห็นอนาคตไม่มีที่ตุลมีช า, าึกสามึงจะกะลุอริยทัตตินิพพานเรียกว่ามันอยากมากแต่โดยเหตุที่มีอยู่แล้วจึงหนีพ้นไม่พ้นเหตุนั้นคือท่นทานตั้งจิตอธิษฐานเป็นธรรมมะธรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงสอน แล้วมีลูกศิษย์มีผาตุงเป็นถาวกมันก็จะต้องมีเหตุให้เกิดขึด้นเหมือนเหตุการณ์ท้งไหนในโลกนี้เป็นผลของบุญของกรรมของการกระทาถึงเวลาแล้วมันต้องเกิดผลเพราะงั้นมันก็ต้องมีความบังเอิญไม่นย่มันเกิดกันทั่วโลกในบังเอิญดีบังเอิญไรหรือคบังเอิญในมีประพรหรือเทวดาที่ สามารถรู้แม้แต่จิตผู้แจวได้ว่าท่านหนึ่งตัวแล้วก็เลยไปมีบทให้ท่านแสดงธรรมทิฏฐนาท่านก็ไม่ได้รับเอาเฉยเพราะว่าพระฤาษีแวทำอะไรต้องมีผิดพลาดแล้วท่านมีเครื่องมือวิเศษใช้จะเทียบภาษาปัจจุบันด้วยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเพ่งปุ๊บเห็นปั๊บรู้ปุ๊บเป็นคําต๊ะ ไม่ต้องไปคิดอะไรเพง่งเหมือนกดปุ่มเพง่งจิตเมื่อท่านใช้าอาอพิมญาพิจารณาเห็นบึงใหญ่มีดอกบัวขึ้นสลดรูมก็มีบานก็มีอันนี้เป็นคำตบสองได้ไม่มีผิดพลาดากนั้นท่านจิงได กดปุ่มตัวไปสอนใคอาจารย์ฤสีโยคีสองตนที่สอนสมาธิถึงแปดขั้นที่ฉันเคยเรียนมาแล้วฤศีสองตนนั้นก็ตายไปแล้วกดปุ่มตัวไปจึงเห็นปัญจวัคคีย์ที่เรารู้จักกันแล้วนั่นะ ท่านจิงๆตนี้ท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอภิญญามากมายนี่หายไแบบจา ก, ท, ปปกที่นี้ไปปรากฏที่นปุ๊บในที่ป่าที่ปัญจวัคคีย์เห็นปัญจวัคคีย์เมื่อเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่ไกลก็นัดหมายกันว่าเราเะยวไม่ไปรับลงเพราะเป็นผู้ปฏิบัติโอน้นปฏิบัติความเพียรโอน้นไปฉันอาหาร ที่นางสุชาดาจะไหวแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงดำเนินเข้ามาใกล้ก็ลืมคำนัดหมายกันหมดไปวิ่งรับลงนำล้างเท้าเอาปูอัตนะเชิญนั่งแล้วก็ทักขึ้นว่าโคตมะท่านโคตมะเป็นยังไงสบายดีหรือพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอย่ามาเรียกเราเป็นโคตมะ เราเป็นพุท ธ, ธะเป็นคำใหม่ตื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะว่าถ้าฉัานไปรับคำถามอย่างนั้นเราเราทำไดีมันก็เผยกิรับบ่เป็นคนก็มึงง ก, ก็ไม่จริงที่ท่านท่านไม่ใช่ผูติชวนไม่ใช่คนแล้วนี่เป็นโลกุตระพด โ, โลกโลกุตระบุกคนแล้ว เป็นพระธรรมมาสพระพุทธเจ้าเพราะงั้นทา่านจะบอกยามาเลี่ยงเราเป็นโคตมรนี่ก็ไม่เคยมีคนถามมาแต่ไม่เป็นงั้นฟังธรรมดีกว่านั่นก็สแสดงอริย ส, สัจสึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วธรรมจักขึ้นต้นท่านแสดงอริยมรรคตะโกนมัชฌิ ม, มาปัฏฐาคคุณถูกต้องแล้วถึงสแสดงอริยสัจสี่ นั่นนี่ก็ไม่ค่อยเห็นใครมาทำว่าทำไมเป็นอย่างนั้นปกก็เริ่มเรียนพุทศาสนาไปเราก็เรียนตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนก็ว่าพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ไม่ว่าตำราเรียนไหนก็ว่า่างั้นไม่ว่าไทายประหลงพลังอ่าการศึกษรู้อย่างนั้นแล้วก็มันก็สําเร็จสิแล้วก็พ้นทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้เรียนสักอย่างฮึ่ยว่าพุทธศาสนาคืออริยสัได้ไง ทารแสดงขนทางไว้ขึ้นต้นทุกต้องแล้วเหมือนกับเราที่มานั่งอยู่นี่เพราะอะไรเพราะว่จากคนทางทุกต้องเดินตามนั่นมานั่งอยู่นี่อันนี้ที่เป็นพุทธคะที่นี่ขนทางไม่ได้ทําไม่รู้ไม่ได้ปฏิบัติได้แล้วก็จะไปรู้อริยสตติได้ยังไงอืเราก็เพียงแค่นี้ล่ะตรงั้น เมื่อเราไม่ประมาทในพระพุทธปรรมประตูไม่ประมาทในตัวเองแล้วเราก็ต้องปฏิบัติทำนั้นคนนาาาําสอนของพระพุทธองค์ไมาว่าถถัธาทานศีลภาวนาเป็นเรื่องที่ต้องทำเฉพาะอยี่การภาวนาเพราว่าหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าการไม่ทําบาปทั้งหลายทาบุญ ก, ก็ถึงพร้อมทําจิตในบริสุทธิ์ไอการไม่ทําบาปทำบุญนิดๆทัดๆอื่นเขากรสอนกันยเยอะแยะ ทำกิเทบุรีสุตจากอาวิชชากิเลสโดยเฉพาะอย่างนี้ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนตในร่ากกายชีวิตของเบืีองเรื่อหรือว่าขัน ล, ลูกวิทยาสัญญาถ้าการวิญญาณเดับๆไป <Okay. S 1> เป็นของที่ต้องทำเจืเินสติตี่เป็นตัวรวมอริยมรรคหรือว่าพุทธสติหรือสติปัฏฐาน ให้เกิดขึ้นได้มันจึงจะศึกษาพระพุทธัตสนาได้ผลได้ประโยชน์สุขจริงๆนะเราก็เริ่มหัดไปที่หัดสติจันนั่นและอย่างืนมันไม่จงเป็นห่วงอืะ ดูลมหายใจไปในคอในอกในท้องดูงมันเล่น ล, ลเล่นขึ้นเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยดูมันเล่นในคอในอกในท้องมันไม่อยู่เลยเลยนี่เพลาลมมันเล่นลงไปก็เห็นในในคอในอกในท้องเวลาลมมันเล่นขึ้นมันก็เห็นไอย่างนั้นเห็นอินเ่นเป็นวิญ ญ, ญาณด อยาเสียงกระทบหูได้ยินปับ๊บเปุ๊บของธรรมดามันไม่อยู่เรื่อยกระทบตาหูจมูกนิ้นใจมันก็เห็นได้ยินินเ่เวิญญาณทางตาหูจมูกิ้ไใจรู้วิญญาณก็ปล ร, รู้วญญนึกตุติวิญญาณก็เหมือนกันรู้นึกคิดแล้วมันเล่นอยู่เรื่อยเล่นลงเล่นขึ้นในโกใน อ, อกในท้อง เวลมันได้เราเห็นในทองนั้นมิแจ็เอาเฉพาะวิญญาณปัจจุบันมันสั้นมากเห็นดับไปแล้วได้เห็นดับไปแล้วรู้ดับไปแล้วแต่เอาจริงๆแล้วมันแค่นั้นแหละมันมันไม่มีเรื่องอ่ะถ้าเอาตัวจริงแท้อย่างพวกปัจจุบันเห็นลู้คิดนึกได้ยินมันสั่นนิดเดียวอ่ะเอาเฉพาะตัวจริงปัจจุบันเห็นคิดนึกรู้มันไม่มีเรื่องอ่ะ มันเรื่องมันมีไม่ได้พราะคิดนี่มันต้องใช้เวลามันจึงเป็นเรื่องของความจําที่เรียนวิทยาแปลว่าสัญญาความจําเป็นเรื่องของความจําเป็นเรื่องของความหวังปรัชนาที่เร็วเรือเรียกว่ า, วาปัจจุบันเท่ มันดับไปแล้วมันไม่เกิดเป็นความคิดอะไรขึ้นมาได้เอาเฉพาะปัจจุบันเห็นเห็นเห็นถ้าจะเห็นรู้ถ้าจะรู้อันนี้มันเป็นสติไปแล้วมันไม่จะเห็นที่ใชๆรู้เฉยๆแล้วเป็นวิญญาณสติ เป็นรูพุลูกวิญญาณพุลูกสินธำพุลูกคือสติพุทธสติเป็นวิญญาณสติพุ้ลูกเนื้อลูกเกิดขึ้นแล้วแต่ผู้ภาวนามันก็สบายทีนี้มันกุลงแล้วแต่เหตุเหตุอดีตเหตุปัจจุบันเหตุอดีตคือบุพเพกตะพุญตาบารมี เหตุปัจจุบันทำความเปลี่ยนในปัจจุบันประกอบกันเต่พะอย่างจริงบารมีเป็นของสำคัญต้นทุนตัวอย่างที่เจริญอริยมรรติที่เป็นตัวอย่างของอำนาจบารมีสมบูรณ์เป็นอมัมมัดเร็วัตเัพปราบขาบวขาคนมากก็เยอะได้สำเร็จพระเจ้ามิริน อนุญาตให้อยู่บ้านเจวันเจ็ดคืนไม่ต้องทำอะไรฉลองใหญ่ลำยาประปิเปปต็งลำโพ้นดนตรีสารพัดในระหว่างนั้นพระพุทธองค์อยู่ที่วัดตอนเจ้าทรงประกาศขึ้นเฉยๆวันนี้อำมาตย์นี้คนนี้จะได้เป็นพระอระหรันต์ก็ไม่มีใครชื่อสิจะเป็นไปได้ไงแต่พระอระหันต์ทั้งหลายท่านรู้่า พุทธเจ้พูดอะไรไม่มีพิษหลังจากตอนเช้าพอเวลาลงไปเล็กน้อยทางบาง้านอามาก็เกิดเลืองเหมือนกับที่มันเกิดทั่วโลกทุกโรมาจายนี่แหละความบังเอิญความอคคีเดนเหมือนอ่างรความทุกแบตเตอรี่ความบังเอิญแต่ละพัดแต่นี่บังเอิญใหม่ดีคือคนที่แกลากมาก ใกล้ๆหัวใจวายล้มตายโตัวหนักแต่เราไม่สมมุติตัวเราเองว่าคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเราล้มตายตัวมาเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> นี่ยเกิดเทาศกเสียใจร้องโหยร้องไห้วิ่งไปวัดบอกไม่มีใครช่วยลราได้นอกจากพระพุทธเจ้าพอไปถึงวัดก็พาผูงคนขึ้นไปนมัส ก, การ ยังไม่ทันจะเปิดปากพูดเอาแล้วก็เรียกว่าลองเสียงบา ร, รมีดูทีบา ร, รมีมันจะพร้อมอยังพระพุทธ อ, องค์ทรงกล่าวเสกนว่าอามัดกังวลอะไรของเธอในอดีตว่างกังวลอะไรของเธอในอนาคตว่างกังวลอะของเธอเดี๋ยวนี้ว่าง อริยมรรคผลเกิดขึ้นแป๊บเดียวตอนนั้นถึงกันอรหรันเมื่อหัวใจบริสุทธิ์เป็นอรหรันแล้วก็เป็นซูเปอร์กอบุตรรู้มุดเรียกว่าพิญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นตอนชาวคนไม่เชื่อมันประมาทในพระพุทธเจ้ามันจะโลนโลกมีความเมตตาโโฮขึ้นสู่อากาศสูงสูงสามครั้งคนชอบเชื่อริษณ์เมื่อเห็น อ, อย่างเออจริงแล้วเป็นอรหันจริงอย่างพระพุทธเจ้าว่า พรวมกันนะ่ะตอนนี้ไม่ใช่อามาตย์แล้วเป็นพระอระหันต์แล้วสุปฏิปันโนไม่ต้องบวชหรกมึงเรียบร้อยไปแลยไปบ ว, วชทำไมเธอก็มีอภิญญาลุอ่อะจบอายุไขคือมันจะตายเดี๋ยวนี้และว่างท่านก็ไม่ได้ ล, ลงมาลออยู่ในอากาศ พรพุทออกเธอจงเล่าให้ผกนี้เข้าฟังแต่ก่อนเธอทําอะไรไว้โอ้ทำบุญไว้มากมายชักคนคนมาทำธรรมะธรรมู้นี้ก็มากมาย็จแล้วเตโชทัดเกิดขึ้นเองในอากาศในวชาปนกิจในอากาศอันนี้มีหลายเดียวเท่านั้นในพุทธประวัติมันเป็นคัลวัตเธอด้วยทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นอรหันต์แล้วทำทั้งหลายก็บริสุทธิ์หมด ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นพุทโทไปหมดแล้วแม่มาหาภูตธรรถัดถที่เรียกว่ามัตเตอร์ดินน้ำลงไฟวัตถุธาตประกอบร่างกายก็เป็นพัดถังทันที่เหมือนกับพระพุทธรูปแกวเจรไานาธรรมดาไม่ใช่มืดแต่อยู่ในห้องมืด กมืนืออยู่ในธรรมมืนเมื่อเอาไปวางไว้ใต้แสงอาทิตย์ก็จะวางหมดทั้งตัวทุกบรลมนู์เหมือนพระพุทธองค์ในวันวิสาขบูชาพระจิตตหว่างเป็นาาธรรมะพระพุทธเจา้าพระเศียรก็เป็นพุทธเศียรโสพุทธโสตาพุทธตักสกุกกายพุทธกายมโนพุทธมโนจิตพุทธจิต ใ e นส่วนธาตุประกอบร่างกายก็เป็นพระธาตุเวลาชาปนกิจแล้วกลายเป็นของเล็กเล็กน้อยสวยงามเหมือนเพชรเหมือนพลอยเหมือนเมล็ดข้าวสารแถมยังมีอััยนิหารหายไปจากนี่ก็ได้พระคนที่ไหนก็ไดคือกระดูกของประชชนที่เต็มไปด้วยกิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตัวอย่างที่จะมาถึงพุทธธรรมศึกษาได้ผลอย่างรวดเร็วเพราะเหตุ บารมีสาวกบารมีสิษ์สาวกหกหมือนเจ็เขาทำไปเรียกว่าเต็มเปี่ยมในนี้ก็มีอันเดียวเท่านั้นสำหรับเป็นการวาดซะด้วยทีนี้สำหรับตัวอย่างอย่างหนึ่งมันไม่ไอเรื่องตัวอย่างนี้มันเป็นแฟก์มันเป็นข้อเท็จจริงผิดพลาดไม่มีหรอกแต่เรเทีสัญาสอนเป็น ทำบุญมันก็มีจะผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ไอเรื่องเหตุเกิดขึ้นแล้วผิดพลาดไม่มีไม่ยังตายแล้วถูกไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีโลกผิดพลาดอันนี้เป็นปริภักชกเป็นนักบวนกศาสนาตั้งในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลมีมากมายแต่แต่คนที่เบื่อโลกเบื่อชีวิต 60% อ, อาจจะจะทำต่าง ๆ, างๆด้วยการเป็นลึกซึ้แบบเป็นนักบทนับถึงศาสนานั้นศาสนานี้มากมายในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุกาลมีมากอาจจะกล่าวได้ ว, ว่าเรียกว่าปัจจยาเหล่าเรียนกันมานี่มันไม่มีเกินในชอมพูทธวิปไปได้เรามีมาหมดแล้วลทัทธิต่างๆทีนี้ ปริพาโชโกลิเทเลกบำเพ็ญตบะผิดผิดอยู่หลายปีเพราะอำนาจบาปที่โตทวมไว้พอหมดบาปให้ผลบุญมาถึงให้ผลมันกับบางความบางเอิญให้มีคนสองคนเดินผ่านพูดถึงพระพุทธเจ้าพอดีคำว่าพุทธศาสนาไปรู้แล้วรู้อย่างไรกันก็ออกเที่ยคสวงหาพระพุทธเจ้าชมภูทวีปมันใหญ่ตัวโมโหลานี่ นันไม่ใช่อินเดียปากีสถานอย่างทุกวันนี้มันรวมกันหมดโราไปเจอรอ์พระพุทธองคอ์บินท บ, บาทกับพระาวกมากมายก็ไปขอความรับแต่ก็ไม่ใช่เวลาขอครั้งที่สองแ่ก็บอไม่ใช่เวลาขอครั้งที่สามแถมอ้างเหตุผลว่าเราไม่รู้การข้า้งหน้าเราจะโอได้ยังไง พระพุทธเจา้าถึงเป็นโล ก, กุตระพ้โลกกว่จริงแต่ริงใดที่เป็นเรื่องโลกสม้วยเหตุผลท่านก็ยอมฟังเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ผู้หญิงได้บวชไม่เป็นจริงอย่างนั้นเขาว่าเ ข, า, า, ขาไม่รู้อนาคตท่านจึงได้ทรงกล่าวว่าเงาหรืทดลองบารมี ดเง น, นั้นเธอเพิงฟังให้ดีเมื่อเธอเห็นรู ป, ร, ป, ร, ร, ป, ร, ปรูปนั้นสักเห็นเจอก็เห็นในต่าเรียกว่ารูปเมื่อเธอเห็นรูปรูปสักเห็นดังนั้นไม่เพียงสําเร็จโสดาบันความเห็นเป็นตัวเป็นตนตในขนาดทุนจะโตเป็นอาการทัศนเครื่องภูกกิจคือกรรมกับพยาบาททุตที่มันคุมตั้งแต่โยเทวโลกลงไปมีอํานาจ เมกไม้กมยอยากที่จะตัดขาดออกได้ก็ขาดหายไปพร้อมกันหมดหนือพ้นทั้งโยน์กิดโพเครื่องผูกกิดเบื้องต่ํมหาประกรันเป็นพระอนาคาาแปลว่าไม่กลับมาสู่กามาพบตั้งแต่โยช์เทวโลกถึงคนโลกอีกต่อไปแต่ใบเถรเนี่ยวันเธอจกิดบริสุทธิ์เกับหมดแล้วนี่หัว อ, อวิชาความเห็นเป็นตัวเป็นตัว สักการติติก็ไม่มีแถมการก็ไม่มีโทระัพยาบาลก็มีก็ติดมันก็สายเกี่ยวกับหมดแล้วมันก็แสงอาทิตย์มีแต่เมฆขาวนิดหน่อยมันก็ยืนพิงประตูนี่ผ่านไปแล้วนะเลแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนี่ตัวอย่างบารมีอำนาจบารมีสาวกจใจทำปฏิบัติ พุทธาเดชโทนเท็มเร็ดเนี่ยมักหน่วยรวดเร็วแค่ไหนมักหน่วยแค่ไหนทีนี้สหรับทู่มีบารมีไม่ถึงขนาดนี่ก็ต้องพูดกันยาวหน่อยอันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พิกษุทั่วไปพิกษุเธอเปึงวางกังวลขันห้าเสียอาวางสิ วางกังวลขัน้ะขนหขนหักเราก็รู้แล้วนี่ลุกใบนาสัญญาสังาวิญญาณไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปดีทิศสเธอพวางกังวลขนหนเยากเรื่องเกี่ยวับวางกังวลขนหนั ก, ก, นนกได้มันก็วางสังขารทิ้งได้หมดเท่านั้น มันก็พ้นทังการไปมันก็เป็นจิตวิสังการไปแล้วมันพ้นเรื่องทังการพ้นมาจากทิฏฐิทุกอย่างไม่ว่ัตถามาติตติมิจฉาทิฏฐิพ้นเลยไปแล้วเป็นจิตวิสังการวิสังการประมาทเฉ่สังการไม่มีสังการไม่เป็นสังการไม่ใช่อารมณ์เกิดๆดับๆความคิดเกิดๆดับๆอะไรเป็นของพ้นโลกไปแล้วเป็นโลกุตระจิตโลกุตระธรรมไปแล้ว เป็นพุทธภูติจิตพุทธธรรมพนโลกจึงเป็นพุทธสิเนือโลกโลกุตละแม้แะคําพุทธตตัวเดียวมันก็พ้นโลกแล้วนี่นั่นไม่ใช่เรื่องม่พูดพูดกัอธิบายกันแล้วมันเสร็จมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ให้เกิดปัญญาแบบลุกๆเกิดจินตมัจปัญญา ผมจะได้บุญบางแต่ว่าตีจะพุ่นอวิชาพ้นเวีรไว้แต่เกิดนันเป็นไปไม่ได้ัจนจิตวิสังขารนี่คือจิตนิพพานไม่เกิสังขารไม่มีสังขารไม่เป็นนิพพานไม่เป็นเกิดเกิดดไม่เป็นอารมณ์โลกไม่เป็นกรรมปพพะรูปปุพพะรูปรปุพพะทั้งหมด เป็นจิตวิสังขารจิตนิพพานมีสังขารเป็นชื่อพระนิพพานจิตวิสังขารก็อย่างลงสู่ธรรมวิสังขารคือพระนิพพานจะจบเรื่องเหมือนกัะ น, น้ำใสไหลเย็นออกจากปากน้ำลงสู่น้ำใสในมหาสมุทรไม่มีขอบเขต ไม่มีการไหลไปไหลมาเรียกว่าจบวัตตะสงสารตัวอริยสัจที่หนึ่งที่สองทุกที่แท้จริงพร้อมแทนจริงตแต่น่ะถ้ามันยังไม่ได้ก็เอาจิตติสำหรับค้นหัดใหม่เอาไปทีละต น, ตนเป็นทีละขั้นทีละขันะข้นขึ้นตน ดูลมหายใจลูลมหายใจลูสักแต่ลู่ได้ยินแต่เห็นแต่เห็นท่งไปงั้นสักแต่สักแต่สักแต่ไม่ไปอยากน่อยากนี่อลไอยากสาเร็จอยากรู้อะก็ไม่ได้ว่าวาอยากกวดิบ้ทั้งหมดเห็นแต่เพียงได้ยินแต้รู้ท่องไปงั้นละอันนี้เป็นวิญญาณสติเห็นสักเห็นสักแต่รู้ได้ยินเีเป็นวิญญาณสติ เป็นวิ ญ, ญญาณรู้พ้นหลุกคือทำพ้นหลุกคือสติเมื่อวิ ญ, ญญาณสติเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแภาพพ้นหลุกเหนือหลุกเหนือทุกเหนือหลงนั่นก็สบายวิ ญ, ญญาณสติรู้พ้นหลุกรู้พ้นทุกรู้พร้อมสติทำพ้นหลุก ตัสลูดโดยสัมมาสัมโพธิญาณของผู้ถือ เ, เจ้าไม่ใช่ปัิญาคิดเอาแบบคนผู้ถุชน เ, นเป็นไปไม่ได้ตบุญญาโทตัสลูทำในวันวิสาขบูชาพอเจริญอริยามรรคขึ้นได้สาเร็จถึงสรูของที่สตินี้แหละแต่ยังเรียกว่าเอกายามรรคเป็นอุนทางเดียวรถสติเห็นจตกจะเห็นนี่ตัวอย่างที่เราเห็นมาแล้วเนี่ย คนแรกวางกังวนไปเลยคนที่สองเมื่อเธอเห็นลูกลูกมันสักจะเห็นไปเลยคนพวกที่สามทีุเจรเลนวางกังวนขันหะวางได้เลยเไปยงั้นทีอันนี้เป็นสติทั้งนั้นพุทธสติพ้นโลกวิญญาณสติเกิดขึ้นจริงๆพ้นโลกพลก้พลงพล้ทุกข์ เมื่อเรากำหนดรูปลักษณะวิญญาณตติเป็นวิญญาณพ้นโลกถึงทำพ้นโลกแล้วก็ท่องวิญญาณสติวิญญาณสติไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรละเด็ก b o ิกร a ม เหมือนกับบางคนมีบุญเมื่อสนามอ่ะบริกรรมเพ่งคำพุทธโอพุทธโอเต็มสำเร็จก็ยังมีอืมตึกใช้ทงไปเฉยๆมันได้เลี่ยงมันเลี่ยงติดขันหา้าพอไปคิดเป็นเ็กไปอยากมันกลายเป็นขันหา้าไปหมดมไปนั้นมาหลอดอ่ะจิตใจมันตัดขันหา้าทิ้งไปหมดอ่ะนั่นจะไปเอาอะไรมาเหลือโลกอืม สังขารท่เป็นหมดแล้วอารมณ์หลกตืนจริงๆมตัดกามาพลบลูกกพอรบพหลงไปหมดแล้วนี่อย่างหลปูมันว่ารู้จริงทงสังขารเกิดดับไม่เหลืไม่แลไม่ลไ ม, ลไม่เลวเคยได้ยินีนี่เห็นนี่ละรู้พ้นอยู่ตน้นิดไม่คิดอ่าน ต้นจิตจะว่าเป็นวิสังขารจิตก็ใช่ถวถววิญญาณสติวิญญาณสติไปเกิดจิตส ต, ติเป็นโลคุตระจิตจิตพุนกุกพร้อมสติทำพุนกุกนั่นก็ยิ่งสบายพุนุกนี่จิตสติคือจิตที่ไม่หลงอะไรสักอย่างไม่เปติดเดียวกันอะไรสักอย่างไม่เป็นจิตตื่นแล้วจิตสติ กจิตพุทโธจิตธรรมโมจิตสังโฆจิตนิพพานังประมังถุกขังริอันนี้นักภาวนาแม้แต่คนเริ่มต่วนก็รู้จักกันแล้วพุทโธธรมโอสังโฆนี่โครงทองพุทโธธรมโอสังโฆนี่พานังประมังถูกขังก็เป็นเรยบไปหมดมันมีแยกกันแล้วเป็นธรรมพ้นโกจิตพ้นโกทั้งหมดเนี่ยจิตตติจิตพุทโธจิตธรรมโอจิตสังโฆจิตนิพพานังประมังทุกขังรากวไปจานั้นละ ปฏิภาณเป็นถูกอย่างหยดเดี่ยมมันก็พอยสบใจใจไปด้วยที่เกิดปิติทุกข์เกิแปลวัติใจได้จะเป็นที่รู้จักจริงๆก็จะพกที่ผู้ปริภาวนาได้ภาวนาสติหรือภาวนาพุทโธสมุสังกูเกิดความสงบปิดแต่เสียงมีปีติทุกข์เป็นธรรมดาของความ ติดใจมันบาบาจากกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ร่างกายเราสุขภกเงือนใครก็รไปอาบน้ําสายสะอาดมันก็สบายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าภาวนาถูกตรงแล้วมีตกมีจานปิติุกมีตกมีจานไม่ได้นา่าไม่ใช่แปลว่าคิดล่ะดูลมหายใจเห็นลมหายใจไปเรื่อยๆเรียกว่ามีตกมีจานมีเฉพาะอารมณ์ภาวนา เนยดูไปดูไปเกิดปิติทุกข์ขึ้นเดี๋ยวท่งสติสติเห็นตัศน็นุสตู เ, เกิดปิติทุกข์ขึ้นเร่วอวิตกวิจารปิติทุกข์สำหรับผู้ภาวนาเป็นเท่านั้นเก่งจะเป็นที่รู้จักได้แม่งก็รู้จักจากตัวหนังสือเอา สติแบบติละกันมันก็คนทำได้แม้แต่คนทําใหม่ๆ ม, มันเป็นเรื่องอยากมั้งนี้่เราแบ่งเอาไว้มันเป็นต้นๆเป็นขัน้นๆไปเดี๋ยวภาวนาะแบบยาวๆะติ มื่อขึ้นต้นลงปลายกลับมาขึ้นต้นลงปลายใหม่ที่มันชำนั้มันก็คอยครองขึ้นเองสติเรื่องวสีความเชียวชานมันก็เกิดขึ้นเองมันก็โยโย่ลงมาหรือว่าวิญญาณสติวิญญาณสติท่งไปเป็นกิตติกิตติพลดกท่งไปเป็นจิตสมบูรณ์กรณีพุนบูนพุนทุกมันไม่เกิดทั้บนพุนทุกชักเจจิตเนี่ย ในวันกลางวันกลางคืนมันไม่มีสมบูรณ์พุ่งถูกทักทิ้งก็ให้เทวดาพรมเถอะมันบอยความบุกพลอยู่เลยจิตติเป็นจิตสมบูรณ์จิตติเกิดขึ้นเป็นจิตสมบูรณ์กัหลังเลยกว่าเพอร์เฟกเลยเป็นจิตตักจิตแท็ๆตัวจิตแท็ๆไม่ใช่สังขาร จิตบริสุทธิ์จากอาวิชชาสังขารทิ้งเรียกว่าจิตวิสังขารนิพพานไม่ใช่สังขารไม่มีสังขารไม่เป็นสังขารเป็นจิตทแท้ๆบริสุทธิ์จิตมีสังขารทั้งทำวิสังขารไม่ใช่เรื่องเกิดเกิดดำดำคงหลกุก เป็นอำนาัตย์ธมวิสังขันธรมนิพพานธรรมนิพพานังประบางทุกัง เวลาเดินสติแบบยาวที่เราทนที่เราทนทนได้แล้วมันเกิดปีติทุกข์เกิดไปเวทใช้ได้ละปีตินี้เราก็ทำซ้ำกันบ่อยๆที่จนมันถึงปีติทุกข์รู้ว่าใช้ได้แล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆสั่นขึ้นมาเห็นแต่จะเห็น ตัณหาอุปาทานมันดับไปแล้วสักเดวมันตัดตัณหาอุปาทานออกไปแล้วเหตุของทุกตัดออกาาไปไปแล้วตัณหาอุป า, าทานเหตุทุกดับสิ้นเชิงความเห็นเป็นตัวเป็นตนตโดยยึดมั่นขนันหาเกิดเกิดดับ เป็นกันหนึ่งอันเดียวตรงคงที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาของเราของเขามันก็สูญหายไปหมดกลายเป็นทุนกลางเป็นที่ตั้งของการทุกชีวิตหนืว่ากุณฑลมมธรรมะกุณฑลธรรมะธรรมะปิกธาธรรมะเหมือนเป็นสถานีนวิทยุส่งคลื่นยาวซึ้นกลางกลางมมนรู้จกอยู่ละ เนตันหายอุปาทานดับทุกข์ก็ดับอุปาทานขันหะกว่านยึดมันเป็นตัวเป็นตนเราของเราในของไม่เถียงทั้งการทั้งหลายดับสิฉิงพร้อมกันนั้นเต็มแจ้งความดับทุกข์มโหฬารที่มันมากับความเห็นผิดอันนี้มิจฉาทิฏฐิอวิชชาทุกเพราะอวิชชา ความนึกเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนของเราของเขาตรงนี้เต็มแจ้งความดับไปของความเหม็นเป็นตัวเป็นตนในขณะแต่มแจ้งว่ามันหายไปเหมือนเกิดเมฆหายไปในอากาศหรือเหมือนว่ารู้ว่ามันเป็นเสียงเท่านะไอทีนี้กูจนต้น อีกโเสิร์ตต้นๆเราๆเขาๆในขณะกล้ใจชีวิตนี่รู้แข็งชัดมันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองเสียงบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพียวเศร้าเหมือนเสียงลมพายุเสียงใบไม้ของจริงไม่มีเลยตัวตนมีไม่ได้เจ็ดขัดไม่ว่าที่ไหนเวลาอะไรจ่แจงงั้น พร้อมกันนั้นความทุกข์เพราะความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนที่มันฝังอยู่ในติดใจมาตัง้งแต่เมื่อนานนักหนาะมันสูญหายไปหมดพร้อมกันทันทีเรื่องอริยสัจที่สามนิโรธาดับสิ้นเทิงของทุกข์พร้อมทั้งเหตุในปัจจุบันที่ท่านกล่าวว่าพึ่งทำให้แจ้งเป็นตัวสาคัญตัวนี้เมื่อตัวนี้แจ้งแล้ว จึงจะแจ่มแจ้งอริยะสะตินี้ผ่านได้ไม่งั้นไม่มีทางที่มันแจ่มแจ้งได้ก็เพราะสติอริยะมัรได้เจริญทำให้เกิดขึ้นได้สําเร็จแล้วเห็นสต่จะเห็นสาเร็จลกูกได้ยินแตกได้ยินสาเร็จลูก ตึงเรียกได้ว่าหมุนโ ล, ลธทำไมจักขบถวนอริยสัจที่หนึ่งทุกอริยสัจจะไม่ใช่ทุกอย่างชาวบ้านคิดเอาแต่จังหวัดทุกอริยสัจจะแต่จะรู้โดยสัมมาสัมโปธิญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแถวนั้นไม่ใช่มักนาคิดเอาอย่างชาวบ้านสัมมาสัมปธิญาณแสงสว่างพโพลกก็ต้องเป็นผลของการ ขจัดความบิดกิเลสให้พ้นจากจิตใจเรื่อของบารามี 10. สิบสาสหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้เวลาถึงสามเส้นชัดนเป็นไงดีสาหรับสาวองคหกมืนชัดขจัดความบิดออกจากจิตหรืองของทางบารามีกิเลสทุระอิรเยสขจัดกิเลสออกจากจิตเพียงอย่างทานบารมีเริ่มต้นขจัดควา ม, มาตันนิธเหนียวที่มีด้ยวยกันทั้งนั้น มหมักน้อยออกกิจสินบารมีขจัดกิเลสยาปิริหลายอย่างให้พ้นไปที่เหลือเลียกว่าอย่างละเอียดเรียกของภาวนาบารมีขจัดกิเลสชนิดละเอียดออกไปหมดนี่เป็นพุทธศาสนาทุกข์เพื่อกำหนดรู้อริยสัจเอุปาทานขันหาความยึดมั่นเป็นเราเราหรือนึกคิดว่าเป็นเราเราตนเขาเขานขันหาของเราของเขาในกายใจชีวิต เพิงกำหนดรู้รู้แล้วกําหนดรู้แล้วเหตุของทุกสมุทัยอริยสัจที่2พึงละละไดแลว้วจึงมาถึงอันที่สอริยสัจที่สมนิโรธาดับทิ้งเชิงของทงุกพร้อมทังเหตุทุกเหตุเจติจิตภพภิกขะ คือความดับของความเห็นเป็นตัวเป็นตนในขนันน่ะพมทั้งเหตุตัณหาอุปาทานเตรียมแจง้แจงความหลบทุกอย่างมงโอลานไปพบคนทีเดียวเตรียมแจง้แจงอริยสตีนิพานพบหมดเรื่องกันแลน่นะอริยามรารติพึงเจเลื่อจเลแล้นว นิพพานังสัจจะกเรยดะก็นิพพานพื้นํานไม่แจ้งแล้วนี่เป็นพุทธะที่จะเอากะะันในเรื่องบุญ บ, บาปโอ้มา ก, ก็ทิ้นแต่นไหนเ็ก็บี้ตัวพุทธิกเอาอวิชชาดามืดออกจากจิตทากันทีน่สุดแต่ก็สวนงนันจบกันอาายู่แล้วอวิชชาปฏิญาตั้งกลาตั้งกลาปฏิญ ก็ส่วนกันอยู่แล้วอ่ะก็พังกันไม่รู้เรื่องอ่ะในทางโกงกันข้ามตึงเกล็บเอาวิชาดับสังขารดับีิยันดับน้ารูนดับกระบอกไว้หมดแล้วอ่ะทุกพ่อหลวงมันดับไปบ่มกันหมดกระบอกไว้แล้วอ่ะอืมแต่ทําไมจะดับตอนนี้พระพุทธองค์ยังไม่ทรงจะทะลุปฏิจจสุมุบบาบาทนี่ท่านต้งพิจารณาโกน วันวิสาขบูชาแต่ทำไมอวิชชาจะดับนี้ยังไม่รู้ต่อเมื่อท่านเจริญอริยมรรคขึ้นได้ในวันวิสาขบูชาคือดำเนินหนทางถูกตรงดำเนินตามหนทางถูกตงจนถึงที่คือเกมแจ้งอริยส ต, ตินิพานได้นี่ว่ามุลโลธรรมจักครุภโบ เป็นผู้มีธรรมจักสุในการแสดงปฐมปเทศนาผู้ทีดฟังธรรมสำเร็จทูดาบันครั้งเลกมีองค์เดียวพระกนณฑัญญาพระพุทธองค์ทรงรู้เมื่อเทศนาจบแล้วเรียกว่าอญญากนัญญากณฑัญญะรู้แล้วเนาะเรียกว่าธรรมจักสุอันนี้ก็แปลว่ารู้อะไร ทำตั้งหลายเกิดเกนเป็นธรรมดาดับไปธรรมดาโอ้มันก็ง่ายขึ้นไปงั้นน่ะอืมพระโพี่สัตว์ไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างบารมีแทบลงแทบตายตั้งสามเชาติดกว่าจะบรรจุทะลุอืมแา่ก็แค่คํา ก, กงอยู่แล้วสมุทยัยสมุทยธรมมังถัดพันตังนิโรธธรรมปิธรรมที่เป็นสมุทยัยคืออริยสัตว์ที่้องตัณหามันดับไปหมดแล้ว เหตุของท pas, ุกข์ที่แท้จริงมันดับไปหมดแล้วยังองเลยมันจะถูกต้งทำมาจากตัวแค่นี้พอทุกข์ไปแล้วเนื้อความเห็นว่าเป็นร่างเป็นขรังเป็นตัวเป็นตนอีโก้เท้นในขันห้ามันดับไปสูญจะโตแล้วมันก็หมดเรื่องถุนนั้นละเรื่องโลก คนนั้นเกิดคนนี้ตายเราเกิดแล้วตายมันไม่มีเพราะคำว่าตนใครเราเขามันหายไปหมดแล้วศูญเปในากาลสัตแล้วจะไปเอาอะไรไปเกิดไปตายที่ไหนอ่ะแล้วก็แจมแจ้งถัตจะธรรมอามัตตธรรมประการเดียวเท่านั้นเป็นของจริงประการเดียวเป็นถัตจะธรรมประการเดียวอมัตตธรรมไม่ใช่มัตตธรรมโลก ไม่ใช่มันจะทำคันห้าเจมแจงจึงแกมแจงนี่พานางประมงถุก ข, ขังเป็นถูกเลิดพ้นโลกพ้นอำนาจโลกต้อยโลกแต่กระทำได้ไม่ได้ด่งนั้นจึงเป็นที่พึ่งได้ แต่พอเรื่องของวัตถุดินน้ำลบไว้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมหาพุทธทัตมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นละมันไมนดับทุนหายเป็นเด็ดขาดอกแต่มันยังลงสู่รวามนิพพานสัจตธรรมไม่ได้กันละกันมันเหมือนกับเขาใช้หนังทีวีเรื่องกำเนิดโลกความแตกของโลกทีนี่เราพิสูจว่ามันอะไรมันแตกกันแน่ อพูดในตรงนักพิสูจ์ทำไม่เจอไม่เชื่อกันง่ายๆทําก็พิทูก็ต้องทําที่ทําก็เอามือไปแตะ ก, กระจก ท, ที่เอ๊ะมีแต่แก้วแข็งไม่เห็นมีใครเกิดที่ไหนไม่เห็นมีโลกแตกอะไรอืมนั่นเปนเพราะว่าธรรมชาติของเงากับธรรมชาติของจริงคือกระจกมันมันอยู่ด้วยกันอย่างงั้นแต่ของจริงคือกระจก ทีวีมีกระจกไปขายที่ไหนก็ไม่มีเอาหรอกมันไม่ใช่เงามันธรรมชาติจริงไม่ใช่ธรรมชาติเงามันสัจธรรมอรมาตธรรมมันไม่ใช่เงาขันฮะไม่เราเข้าไปในห้องมีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่มีเงาโคนอยู่ที่นั่น แต่เป็นมนุษย์ธรรมดาเห็นปั๊บมันต้องรู้ปุ๊บไอ้ น, นิเงาไม่ใช่โกงก็ไปโกดเงาแลรู้นะมันเงาไอ้ตัวจริงยืนอยู่หน้ากระจกมันไม่ใช่เงานีืคนบุคคลธรรมดานังกระจกดูเงาในกระจกรูก้ว่าเงาไม่ใช่ขเขาใจเว่าเง า, เ, งาเป็นตัวจริงตัวจริงมันยืนอยู่นี่ นั่งอยู่ดิไม่หลงเงาขันหะเพราะงันเถิดจิตติเป็นจิตตติเป็นจิตภูตุจิตธรรมูจิตตังโกจิตนิปานังปรมาทกตังองิจิตตะว่าวิกิภูตุ จิตตะวางกิดพุทโธเมื่อไรมืก็จุกเรื่องอะไรทั้นั้นแหะจิดพุทโธเราทำทั้งหลายก็เป็นพุทธะทั้งหมดแล้วจิตตะวังทาทั้งหลายก็ตะวังเมืออย่งพระพุทธองค์พอจิตตวังในวันวิสาขะปั๊บปุ๊เป็นพุทธะทันทีศีาษะเขาไม่เหลวศีรษะเหลวพุทธเสกเสียนจักรสุตาเขาไม่เยกวตาพุทธตะคุพุทธโสตพุทธกาย มโนพุทธจิตเป็นพุทธะประมุขแล้วได้ยินกับพุทโธเห็นกับพุทโธไม่มีกิเลสจิตพุทโธพุทโธมดทำสังไรหรือจะพูดกัอย่างเราจเจริญสติจเจริญติดพุทโธให้เกิดก็ได้จิตพุทโธติดตื่นไม่เป็นหลงขันหะ พอเห็นเป็นตัวเป็นตนมันสูญหายไปแล้วเด็มแบบจ้งอนมนาจธรรมนิพานนางประมรสุ ข, ขังเป็นของจริงประกันเดี่ยวสําเร็จวิปัสสนาญาณสองที่พระพุทธองค์แสดงเรื่องอนุปัสสนาที่หนึ่งภิกษุเพิ่งพิจารณาเห็นอุปาทานะขันหะความยึดมั่นขันหะหลู่พิจารณาสัญญาทั้งการวิญญาณตายหุ่นตะมุกไกลใจเป็นตัวเป็นตนเราของเขานี้เป็ น, ปนของโกหกคิดทัง้งมวล โดอยเปอร์เซนต์ที่คนไปงานศพโดยเฉพาะ อ, อย่างยในเมืองไทยท่านก็สวดอภิธรรมทุกครั้งท่านก็ บ, บอกแล้วนี่ อ, อ, อวิชชาปัจจัาทั้งขาราทั้งขาราปัจจายวิญญาณวิญญาณเป็นัวนามารูปังมันก็พบพบมันก็น่าจะรู้กันมา ก, กู้ก่งานท่านก็บอกโกงว่าไอ้ถาดมึดโง่วอวิชาถาดมันแต่งขึ้นมาทั้งหมดโกหกขึ้นมาว่าเป็นนู่นเป็นน้ำเป็นขันหนเป็นพบเป็นโลก กมเป็นเกิดเป็นตายหลงทั้งนั้นไม่ใช่จริงนะก็เมื่อเราแดกฐานจากพระอภิธรรมพระธรรมเป็นโยคคำสอนพุทธเจ้านี่ก็ไม่มีข้อคัดค้านสิจริงอุปาทานขันธ์ะความดิบดินเป็นตัวจนเป็นเราเป็นเขาอีโก้เส้นในคงไม่เที่ยงทั้งขันธ์กายใจขันธ์ะเป็นของเท็จจริง พออภิธรรมท่านบอกไว้แล้วอภิชามันแต่งขึ้นมาหมดนี่จะไปคัดข้านไงล่ะทั้งการปรุงแต่งกับโกหกันะมันอันเดียวกันอ่ะเมื่อรู้ว่าเป็นของเท็จจริงๆก็แปลว่ารู้จักของกงกันข้ามคือของจริงที่เมื่อรู้จักว่าอนี่ธนบัตรเกะก็แปลว่ารู้จักธนบัตรจริงกงกันข้ามถ้าไม่รู้จักกระถุ่มตุ่มดีพอรู้ว่าอันนี้เกะม่ก็รู้จักว่าอันนี้จริงกงกันข้าม สัจธรรมอามาตธรรมเท่านั้นไม่มีเรื่องเกิดเกิดตายที่ไหนเป็นของจริงประกันเดียวมันไม่มีเรื่องเกิดกิดตายมันก็ไม่มีทุกข์ยากที่ว่าอนิพพานังปรมังทุกขังเป็นสัจธรรมประกันเดียวซะด้วยอมาตธรรมเลิกเชื่อมาตธรรมโลกคนนั้นเกิดจนนีตายเราเกิดเราตาย ไอ้ความเห็นเป็นแล้วเป็นคํามันสูญจะโตเป็นอากาศธาตุไปแล้วมันไม่มีประธานมันมีกิริยาไม่มีทับเจ็กไม่มีเวฟมันจะมีลูกมันจะมีเรื่องอะไรได้มันเรื่องแล้วมันไม่ไม่ได้อะเรื่องพบเรื่องลูกมันไม่ได้แล้วทั้งขันขันสติขันอันร่าาเกิดดับกรมภพแต่สูงกวั้ดับรูปภพอรูปภพเรียบรเอย ดับโลกหมดแล้วตติดับทุกหมดแล้วจิตนั้นเหมือนกระแสอาทิตย์มีฤทธิ์แรงจันทล่นพันเม็ดหมึดมันก็มวมิด ม, มัวห ม, ม, มึดไปจะไม่ดับทีเดียวเมื่อมีพายุมาพัดเหมือนกับพุทธธรรมพุทธติมาพัด คนเมกดำให้มันกระจายไปทั้งหมดหรือบางาส่วนแสงใดที่พ้นจากเมกมืดมันก็ตะวังจิตจึงจะรู้จากจิตพ้นทุกข์ไปแล้วเพ้นมืดไปแล้วเป็นครั้งแรกอย่างลงสู่ธมรมะธรรมพระนิพพานแสงตะวังมันก็ติดอยู่กับดวงอาทิตย์เป็นธรรมชาติตี้จะไปติดอยู่กับอะไรอย่างท่านพุทธเจ้เจ้ และสัวปะยังลงสูงอ่อมาตรธรรมตัติยังลงสูงอามาตรธรรมมี ว, วิสาขาราคาตังจิตตังจิตตาคดคือติตบริสุทธิ์แล้วยังวงสู่วิสาขาราคาธรรมคือปานิพานอามาตรธรรมสัจธรรมประการเดียวเท่านั้นจริงย่อมมีหนึ่งไม่มีสองจริงลบเราจัตตฐานคดกล่าวรานิพานเป็นสัจจะอย่างยิ่ง นี่เลยเราภาวนาสติเป็นขั้นๆตามทางจะเอาไปได้แล้วเมื่อก่อยเสั่นเข้า ม, มาจนเหลือเปอ็นงสาคคำสตินิโรธนิพันธ์สงบไปเลยสตินิโรธ ด, ดับทิ้นเชิงของทุกข์คือแท้จริงอุปาทานะขันนะบรรลุอมิตตธรรม แจ็มแจ้งสตินิโรธมีผ่านมีนยกลงมาแล้วใช้ไม่มากสองสามรมสตินิโรธมีผานกิตะโงบไปเลยมีปิติตกเกิดขึ้นพอไดใด มันทำอันนี้โดยคร่อมแล้วมันก็โยกไปได้อีกเอาตามพุทธวจนะไปเลยจำเริ่สติตามพุทธวจนะสติอย่างลงสู่อมตะธรรมเอาแล้วว่าไปตามนั้นละสติอย่างลงสู่มันทําดูกันด้มันจะเป็นอมตะธรรมแบบไหนสติก็เห็นถ้าก็เห็นอย่างลงสู่อมตะธรรมเห็นสักจะเห็นนิพพานก็เลยยกลงเพียงสองคำสติ นานาฝึกไปไงนะั้นนะไม่ไปอธิบายแลราทิ้งขันนาไปแล้วจะเอามาทิ้งไปอ่จะจิตีมันทิ้งขันนาตัดขันนาทิ้งตัดทั้งขันทิ้งไปเกิดดับๆตัดอารมณ์โลกทิ้ง จะติมิปานยอดที่สุดเกือบจะที่สุดแล้วเมื่อเห็นจั้แต่เห็นมิปานคันทได้นั้นทคนที่ทาได้ไม่ใชคิดเอาฝึกไปทาไปเห็นจักแต่เห็นได้นิปานอันนี้แหละพุทธ่พุทเจ้าทั้ทงสองปริปาชกเมื่อเธอเห็นรูปรูปนิสักยะเห็น สติขันสูงกว่านะั้นอนาคาเกิดขึ้นทันทีสาเร็จนิพา น, น, น, นอน า, นาคาเล้วไปทันทีสตินิพานโดยปฏิโลมไม่อย่างอวิชชาปชัญยาสังขารอนรุโลมปฏิโลมอวิชชาดับทังขดับมิยันดับนำรุดั บ, ด บ, ดบอิ น, นปฏิโลมนิพานสติจิตนิพาน มีสติเป็นปกติธรรมดาได้ยินก็ไม่ลงเห็นก็ไม่ลงนั่งนอนยินเดินก็ไม่ลงแม่ป่วยเจ็บตายก็ไม่ลงนิพพานจิตสติสติแต่ก็ว่าอย่งลงสู่อมตะธรรมวิญญาณสติได้ยินอมตะธรรมสติอย่างลงสู่อมตะธรรมได้ยิน ได้ยินรธรรมะจะทำหรื อ, อรธรรมะจะทำไม่ต้องกลัวได้ยินคิดนึกรูก้ตติอตรรมะจะทำไม่ต้องกลัวคิดขันตติเป็นปกติแล้วอย่างลงสูงอ่อรรมะจะทำเป็นธรรมดาได้ยินรธรรมะจะทำเห็นรธรธมมรธมะจะทำรู้ธรรมะจะทำธรรมะจะทำทั้งนั้นไม่ป่วยแก้เจ็บตายไม่ใช่ สติมีแล้วอามาจะทำเท่านั้นแต่ิยังคงออามาจะทำนี่สติก็เมือนมือไปแจกขึ้นเจอเปียกเย็นเปียกเย็นมันไม่ใช่ขึ้นนอ่ะอแจมแจ้งที่มันของจริงมันนา้นาน้าไม่ใช่อาการขึ้น่นตจมแจง้งวิสังขารไม่ใช่สังขารเป็นของจริง วิสังขันไม่ใช่สังคันลูกแจ่มแจ้งอมาตธรรมเท่านั้นจริงประการเดียวในเรื่อว่าสําเร็จ์วิปัสนาญาณสองพระสารเสด็แสดงท่านบอกสําเร็จอนุปัสนาญอณหงแล้วไม่ใช่จะแจมแจ้งทําสมบูรณ์เราเพียงสองโค่นี้ก็พอทุกไปแล้วท่านทําได้จริงจริงนะจะเดินสติได้ถึงขั้นนี้พอแล้วสมมติว่าเป็นอย่างนั้นแจ่มแจงอรมาตธรรมเท่านั้นจริงประการเดียว อุาทานค่าเป็นของโกโลกเป็นของโกะอย่นัก็อภิธรรมทางกระบอกอยู่แล้วอ่ะจะว่างไงล่ะวิชาปัญญาสังฆลาก็แปลว่าอย่างงั้นนะอะไรอะไรโลกพบอะไรกัมเกิมเลยกุศลธรรมะกุศลธรรมะปีติกตรธรมาทุกทุกประทุวิชามันแต่งกันมาหมดนะไม่จะว่างไงล่ะ้นทางกระบอกก็เลยวิเชายดับทังขาอดับปิญญาดับมะด้วยขนาดโกโลลงกระดับทุกดับโบกไปหมดแล้ว มักก็หน่าจะรู้นี่จะเปสงสัยได้ไงจะเริยนสถิถึงขั้นความเห็นเป็นตัวเป็นตนในขั้ระดับแจ่มแจ้งเอามาทำแล้วมันก็ส บ, บายถ น, นัดในนี้เวาลาแก่ป่วยเจ็บตายจนจะตายใครจะไม่เยี่ยมแสดงความอะไรอาวุนประกาศขึ้ น, นได้ดังๆเลย ไม่ต้องมากังวลอะไรที่นี่อมรถธรรมนี่อมรถธรรมนะบอกให้นนอนนอนน kardeşim, เออไม่ไปพูดอะไรกับอรรถธรรมไปพูดอะไรกับท้องฟ้าดวงดาวไปพูดอะไรกับพรานิพันธ์พูดกันไม่ได้เรื่องแล้วกมันคนละเรื่องหมดเรื่องพูดกันแล้วแจ่มแจ้งอมรถธรรมจริงประกันเดียวเท่านั้นนิพานังปรมาถูกขงังเป็นถูกอย่างเ ย, ยี่ยมหยดประกันเดียวเท่านั้น เป็นของจริงประกันเดียวว่ากันงนินเถอโรกมันโลกอวิชชาปฏิญาทังกะลามันจริงจริงได้ไงล่ะอวิชชามันแต่งขึ้นมาทั้งหมดนี่อัตร า, าที่อุปกาทะานกนารหน้าโลกพบก็อบอกไว้หมดแล้วส่วนงานศพกันจงวัดพังไปไม่รู้จักเท่าไหร่ นั่นก็เป็นที่พึงได้ที่แจ่มแจงธรมะธรรมาประกันเดียเป็นตัดจตธรรมจริงประกันเดียวเลิกเชื่อมาตรฐานโลกไปแล้วแล้วก็มีปีติทุกเกิดขึ้นในใจเป็นเคยยืนยั น, ยนที่มันก็เหลือแต่นี่พานาประมาณทุกครั้งบริกรรมเหลือคำเดียวแต่นั้นแหละไม่ต้องว่ากันยาวแล้วกันนี่ แตยิงก็นในปานี่การมาดูว่นานิพานนี่เกิดนิพานนิพานนางเประมังกรกังประกันเดียวจาก น, นั้นจริงแล้วก็บริกรรมนิพานนางประมังทุกคังนิพานนางเประมังทุกครั้ ง, งแล้วก็บีปีติทุกเกิดพร้อมกันเลยแต่หลดุดยิงก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวเจริญสติในนิพานอันเดียวก็พอไดพอได้แล้วไม่ต้องว่ากันมาก นี่ปิติทุกข์กดํากันเป็นเครื่องยืนยันตลอดเวลานิพพานนั่งประมาทสุ ข, ขังก็เหือบริกรรมทงไปเทนละ่ะอืมการนิพพานเป็นทุกขอย่างยิ่งว่างันที่แล้วก็พลอยสุกขตามไปจิตกายก็ทุกข์ไปกายก็ทุกข์ปิติทุกข์ตลอดกายปิติทุกข์ตลอดใจ ทุกลมหายใจก็ออกปิติทุกเมื่ก็เป็นมหาบุญกุศลแล้วที่ปิติทุกอย่างยังไม่โดนพูดถึงตําเร็จก็ได้อืเป็นมหากุศลก่อไฉเป็นอริยทรัพย์ก่อไฉเป็นบารมีก่อไฉดีกับการกระทําทุกอย่างประโยชน์อย่างยิ่งทาจิตให้เบาบางจากหุศกิเลส ไม่มีอะไรดีกว่านี้หรอกไม่ต้องไปอยากเอาดีนู่นเอาดีนี่ที่ไหนไม่มีอะไรดีกว่าทำกิจในบริสุทธทิ์จักกิเลสเด็ดขาดคือพุทธภาวนาตติเอากายมะคุณทางเดียวโรดพระบุทธเจ้าทุเรงไว้ตติปัฏฐานเห็นตึกเห็นรูปสตุลุขแค่นี้ล่ะ แตเพื่อการสติด้วยไปไม่ย่อมเลกมันก็ต้องได้ดีขึ้นกวันนั่นสิรู้แจว่าพ้นทุกข์พะความเพียรสติเหมือนดาวเจริญเพลงอาวุธมันยังติเขัดเร็วจบยุดธแถวหัดเพ่งวันต้องวันมันจะเป็นกันรายได้มันต้องหัดกันเป็นเวลานานๆทุกวันทุกวันจนมันคล่องแคล่ววงไวมันจึงจะใช้ได้ ถ้าปวยเจ็บตายมันก็ใช้ได้มันตัดสู่โลกออกจากจิตหมดแล้วจิตเป็นอิตระลดพ้นไปเป็นจิตพุทโธตื่นแล้วพ้นทุกข์ไปแล้วจิตพุโทโธจิตธรรมโมจิตทั้งโกจิตนิพพานางังประมังทุกั้งกตบายไปแล้วที่ เาก็ดูที่ลมหายใจไปเรื่อยๆจริสติไปเรื่อยๆเต้ได้ยินแนไปเรื่อยๆอกว่านิพพานังปรมาทูตขังไป เ, เ, ไป เ, เาาป ร, รื่ยยอยๆเจ้าแจ้งอำนาจะทําจริงประกาศเดียวนิพพานังปรมาทูตขังประกาศเดียวจริงก็ทง น, นิพพานังปรมาทูขังมีพยยิตุไปเเป็นบุญเป็น หมาคุนโสเกิดนเลอาแคนี้ก็เสเอาละ อ, อย่างว่าพนาแบบหยดสุดละสติมีพานเห็นถึงจะเห็นได้มีพานรู้ถึงรู้ได้มีพานสติยังลงสูงอาา่อมตะธรรมพุทธเจ้าสแสดงไว้แล้วเห็นถึงจะเห็นยังลงสูงอาา่อมตะธรรม รู้สักแต่รู้อย่างลงสูงอาา่อมตะธรรเห็นแต่เห็นได้นิพพานนินพพานนังปรมาจุนโขทองนิพพานนังปรมาจุรัขไปเรื่อยก็ได้ขนนี้มีปีติ ต, ตกเกิดเพรา ะ, ระบัพปชัยได้รักเอเวเฉลิสติในปา น, นิพันไม่มีพิษอา น, นิพันเป็นสุขอย่างลึก นิพพานเปรนมังสวัสดเราพุทองไปตามนั้นจิตกราก็สุขไปตามปิติทุกข์เกิดขึ้นตามสบา ม, ตามสตินิพานพา น, านิพานสติทํากันจิตนิพานสติเป็นป ก, กนติธรรมดาอย่างมงสูออมตะธรรมเป็นธรรมดาได้ยินอมตะธรรมเห็นอมตะธรรมนึกไปตาม ลูออกมาจะทำหนังนอนยืนเดินออกมาจะทแกเจ็บตายไม่ใจ่เอามาจะทํถึงนั้นมัก็หมดเรื่องกันไปที่มีพ่พานานงประมันตุกาวประกันเดียวจริงนึกคิดลูกก็ไม่ถึงไปกลัวแล้วคันตติจิตจิตตติ จิตนิพพานจิตบริสุทธิ์เดียิงคิดนึกลูกมันไม่ต้องไปกลัวแล้ว ม, มันเป็นพุทโธไปรหมดเดี๋ยยิงกับ น, นิพพา น, นกับ น, นิพพานแลกนิพานน พ, านนพานนิพพานนางประมมังทุกังว่างเยอะนันนยืนเดิแกเจ็บตายกับ น, นิพพานอย่างเดียวเท่านั้นจริงประกันเดียวนิพพานนงประมมังทุกงังเป็นทุกอย่างหยดเย็บ ทูนิปานังประมาณสุขังไปเรื่อยๆในตตินนิปานังเดียวกันโลอย่างน้อยก็ด้มหากุศลถูกลมหาใจกระอกเป็นอธิยทรัพย์ติดตัวไปได้หลายร้อยชัแผ่ส่วนกุศลให้คนอื่นๆทั่วโลกจากกวัณทั่ววัตะทงสารก็ได้แต่อยากนิสาผู้ปุติตกจากลำบักก็ได้ไป บิดามันดาคนใดเป็นการาแสดงความกตัญญูกตธรรมเวทีอย่างดีที่สุดแผ่ส่วนภูณัยนี่บุญทูลสุดยิ่งกว่าภาวนาทำจิตใจบอริสุทธิ์เป็นไปไมีได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นผู้เจริญดียิ่งกว่าเอาขขาวน้ําผลไม้ไปถวายผีซะอี ขณะตอนจะเราจะเลือกภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาส่งคนบุญกุศลไปทั่วโลกจากวันที่ต่ง้งถึงจุดพมโรลกเทวโลกอนุทโลกภูกกกตาวาสัมภเวส้วาลูกขูมเดวาอากาศเดวาไปจนถึงตระกูลเพียงพีดด่น้องลุมป้ดตาทุกสันผู้หนึ่งผู้ใดที่เรารู้กรรมันทุกข์ยากลาบาก เดโดยเฉพาะไอ้แก่ปิดาหมาด า, าทุกครั้งไปทกขันนาที่เขาไม่จะลืมโกวนาให้จิตพ้นมึดมาแต่พ่ะแม่ทีาาา่บุญคุณของขุนมหาศาลลองเป็นผู้มีบุญมหาศัพยจันมานันน่งภาวนาขย อ, อยนี่ก็ไม่ได้มีเวลาโอกาสขางเรานี่นั่นคือแพล่ตัวกุศลได้ไปที่ที่นั่งกันอยู่นี่คืออะไรมหาศัพจั น, น, น, นยยของโลก พระพุทธที่ได้มาเกิดด้วยอำนาจบารมีมาเกิดกับบุคคลคนนั้นสถานที่นั้นเวลานั้นสมัยนี้มานั่งอยู่นี่มันมีไม่กี่คนในสมัยพุทธกาลที่หาได้อยากที่จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้ามนานากี่รันละลยลนันปีจะมีสักครั้งหนึงบางกัระปะก็ไม่มีเสยเลยเราชูแวตเดียวเหมือนฟ้าผ่าเนี่เราเหมันเกิด กตคนนั้นแต่สาิตินั้นเวลานั้นผ่านชีวิตมาแบบนั้นแบบนั้นมานั่งอยู่นี่โดยศึกษาปฏิบัติพุพนะทธพระาวนาขั้งนงหยดเยี่ยมเรียกว่าเป็นมาหาสัจจ์ของโลกบุญมาหาสัจจ์เนี่ยม่นจะไม่แก้ยุกยมมันมีกี่คน เราพูดเราไปเกิด 3,000 ปีก่อนนี่มันก็มันนั่งอยู่นี่มันเกิดกับคนอื่นมนั่งอยู่นี่เหมือนกันเหรอในสอันนึ้2 5ส8่ปดเกิดเกินไปนิดหน่อยโดยมากก็เกิดตอนเกิดเกมันก็ได้พบเห็นของดีได้ศึกษาปฏิบัติของดีพุทธธรรมนั้นี่ไม่คือขุม หลังจากนี้ไปเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีมันก็แยบไปไม่รพอศตวรรพันมันก็หมดเรื่องกว่าจะไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่พระสีอันโอ้ไม่รู้จักกี่ล้านปีในระหว่างนั้นก็ไม่ได้พบพุทธอะไรคนดีคนไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาโลกมันก็เวียนว่ายแต่เกิดกันอยู่นี่มันไม่พคนทุกไม่ได้ไม่ถึงพุทธธรรม เพราะงั้นเราตีนั่งกันอยู่นี่ที่เรียกว่าเป็นมหาตาจันของลกูกก็ว่าได้เดี๋ยเป็นดอกพวกดอกบัวเหนือ น, น้ำนั้นมีไหมมาเบ่งกันสิ ที่ใต้น้ำเนี่ยาแน่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้แบบไหนที่ตุดถัดตั้งห้ายจริพันธ์หมดเลยว่างั้นเรียกว่าเรีย่ว่ากําลังหาพละหายที่หมันมีแค่ไหนแล้วของเก่าโลภะโทสะโมหะมันมีแค่ไหนมันเลยแต่สองอย่าง น, น, นี้อืมีอย่างภาษาไทยเขาอ่ะที่อยู่ใต้น้ํานั่น เต่าปูปลาไม่นจะกินสัตว์อะไก็ได้ที่โพขึ้นมาเริ่มนี่เร็วนินยตตาบุคกคฎดลบวนเนินนะ้เพราะที่จะตัดรู้ทำได้ไม่เร็วก็ช้าที่บานเร็วมันก็ง่ายที่ตุ้มมันก็จะบา น, นเป็นเงี้ยที่ อยูต่ตนามันเอาแน่ไม่ได้แล้วสติทั่วไปทำาต้งไรายไม่พึงถือมัน่น อันนี่พอจะรู้กันบ้างพอจะปฏิบัติได้เป็นประโยชน์ทุกสถานที่เวลาทุกเรื่องทำทั้งหลายไม่พึงถือมันนก็นร่วมพ้ไม่ว่าเกิดับไม่เกิดไับ ท, ไ ท, ทั้งการกีดทั้งการเห็นตักเห็นรู้ตักตือู้เวลาไปยึดมันถือมันเลยจิตพ้นถือมันถือมันเกิดเป็นจิตวิมุตติพ้นไปจากกงทุกข์คุณพ้นจากขันหะ พ, พ้นทั้งกาน อันนี้ฝึกทําไปเรื่อยๆตติทั่ไปเวลามันเกิดเรื่องทุกข์ยากลําบากประเด็นปฏิบัติแกะทุกข์ได้ไม่แต่เรื่องโควิดบัตรตาย ดิ้ไม่จนจะตายไปก็ตามจะเรีสติตัวไปทาทั้งหลไม่พึงถือมันน ม, มันได้อยงเชนทีเหนทเห น, ออนลกนนเดวนะทัง ไ, ไม่พึงถมันวางถือมันได้จิทนถือมันกันหา เป็นจังหวะฟาชทานเป็นจิตไม่มุดหลุดพนไปเป็นจิตโนิสุพุทโนทุกไปที่